สีด์เท่าคคุณอยากดื่มอะไรครับชอชนาิเชคุณชอบดนตรีไหมครับมาชราดราดาุดบุผมชอบดนตรีคลาสสิก ค, ครับภาษมีคลาสิกกัุด นี่คือซีดีของผมครับทูซูโมเยเคุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับนี่คือกีตาร์ของผมครับรคุณชอบร้องเพลงไหมครับ คุณมีลูกไหมครับมาเชเดติคุณมีสุนัขไหมครับมาเชปสาคุณมีแมวไหมครับมาเชมัชกุนี่คือหนังสือของผมตุสูมอยคนฮีผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณชอบอ่านอะไรครับ r ád, r คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมครับคุณชอบไปดูละครไหมครับ